ก็อย่างที่กล่าวถึงวิธีการเจริญอวิหิงสาหรือกรุณาเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้มีใจกรุณาไปมองเห็นเด็กอนาถายากไรป่วยไข้นอนสมอยู่เนี่ยนะถามว่าเขาคิดอย่างไรกรุณาฉันใดเขาก็มีใจกรุณาอย่างนี้นี่แหละกับสัตว์ทุกหมู่เหล่านะไม่ต้องการเค่แค่นี้เขาก็ทุกพอแล้วเนี่ยนะ ที่เขาเกิดมาเขาก็ทุกพอแล้วที่บริหารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทุกพอแล้วจะไปซ้ำเติมเขาทำไมเนี่ยนะขอให้เขาพ้นทุกเถอะความคิดอันนี้แหละเป็นการุณาคิดขอให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์นันะนะแต่ที่สำคัญที่สุดนะเนะจริญให้ตัวเองบ่อยๆด้วยนะทำไมต้องคิดให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยนะเชื่อให้คนน้ชอบคิดให้ตัวเองลาบาก คิดเบียดเบียนตนอยู่ๆใช่พอสบายใจนะต้องคิดหาเรื่องหนักใจใช่ไหมเหมือนว่าตัวเองได้ทําอะไรนะต้องหาเรื่องให้ตัวเองเนี่ยหนักใจสักหน่อยดูเออดูดีอางนั้นนะเหมือนว่าตัวเองมีความรับผิดชอบนะแม้ตัวเองเนี่ยเก่งมากมีความรับผิดชอบมีสา ม, มัญจะสานึกมีอะไรเพราะจะต้องหนักใจอ่ะนะต้องร่างสร้างความหนักใจให้แก่ตัวเองบ่อยๆอยนะันนั จะได้อะไรจะได้บอกแหม่รับผิดชอบสูงมากแล้วนิยมสร้างความกดดันให้กก่ตัวเองเบียดเบียนใจตัวเองก่อนอันถ้ายัางไงก็มีใจกรุณาต่อตัวเองบ้างนะสงสารต่อตัวเองบ้างนะมันคิดให้มันทุกข์ทำไมเนี่ยนะแค่นี้ก็ทุกข์พอแล้วเนี่ยนะนะก็สงสารตัวเองหวังให้ตัวเองพ้นจากทุกข์นะนะถ้าเจริญกรุณาให้ตัวเองก็ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากโสกปริเทวะทุกขโทมณฑได้อุปายายูเทศเนี่ยนะนะที่เหตุอย่างเงี้ยนะใครเคยคิดนั่งยกมือขึ้นในไหนเนี่ย มไม่ยอมยกเลยนะแสดงว่าคิดให้ตัวเองมีโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตก็ต้องคิดบ่อยๆขอให้เราพ้นจากโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตยามใดที่ไม่สบายใจเนี่ยนะคิดอย่างนี้ให้บ่อยๆเถอะขอให้พ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตต้องฝึกคิดบ่อยๆแล้วมันจะไม่โสกะแต่ถ้าไม่คิดนั่เดี๋ยวก็ได้เรื่องอีกจนได้การุณาเนี่ยนะกรุณาที่ ปราถนาให้พ้นจากโสกปริเทวทุกขโทมานะและอุปาญาตพ้นจากความทุกโศกความร่ำไรพิไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายขอให้พ้นจากความทุกข์ดังกล่าวไปแล้วนี่ลักษณะของกรุณาแล้วก็เจริญอย่างนี้แหละไปในสัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายสาับพาทุกขาประมุนจันโต ขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเธอเนี่ยนะขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเธอก็เจริญแผ่ไปในทิศเบื้องบนเบนืบ้องต่าเบื้องขวางไม่ขับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะก็เจริญไปอย่างเนี้ยด้วยแผ่อัปมัญญาตัวนี้ให้มากขึ้นอันนั้นก็เป็นการเจริญกรุณาอันนั้นเรียกว่าอาวิหิงสาอาวิหิงสาพระองค์ก็แยกว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะถ้ากามาวิตกคืออะไร กามวิตกนั้นน่ะหมายถึงความคิดที่มุ่งไปเพื่อจะติดข้องในรูปธรรมทั้งหลายอันนั้นเป็นลักษณะของกามวิตกส่วนเนคข ม, มวิตกคือจะออกจากอากุศลอันนั้นได้อย่างไรอันนั้นเป็นเนคข ม, มวิตกส่วนพยาบาทวิตกเนี่ยคิดจะทำลายเขาได้อย่างไรอันนั้นเป็นคือคิดให้เขาตายคิดแบบ สร้างแต่ความเจ็บปวดสร้างความเดือดร้อนนะนะเรียกว่าโกรธมากเลยนะไม่พอใจเผาเลยอย่างนั้นเถออันนั้นเป็นพยาบาทส่วนอัพพยาบาทก็ปรารถนาให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปขอให้เขามีความสุขแล้วถ้าเป็นไปได้ก็สุขยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งดีถ้าเป็นวิหิงสาวิตกคิดเบียดเบียนคิดสร้างความเดือดร้อนเ น, นี่นอยนะเห็นเขนั่งอยู่สบายเอาผงอะไรมาโรยซะหน่อยดีกว่า ให้คันขยุกขยักเคยวแหมเห็นคนอื่นเขาคันอย่างนั้นแล้วก็มีความสุขเนี่ยนะนะถ้าพูดให้คนอื่นเขาหงุดหงิดใจเล่นและสบายใจเนะนะี่ยบางคนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบชอบพูดให้คนอื่นไม่สบายใจปกติคนอื่นเขาก็ไม่สบายใจสบายอะไรมากอยู่แล้วเนี่ยนะนะชอบหาสันหาคําพูดถากไปสักคำหนึ่งเนี่ยนะแหมให้เขาซิบซิบในใจไว้สักสามวันนี่ดิงอันนั้ขาดความกรุณาเนี่ยนะขาดความการุณาบางทีต้องระวังเหมือนกันว่าเราพูดแล้วคนอื่นเขาจะคิดอย่างไร แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะปัญญานี่จะต้องวินิจฉัยให้ให้ดีๆว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำไปนั้นมีผลต่อเราเองอย่างไรแล้วก็มีผลต่อบุคคลอื่นอย่างไรวิหิงสาเน้นเบียดเบียนอวิหิงสาเน้นปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าก็แยกว่าเนค ร, รมวิตก อภยาบาตวิตกอวิหิงสาวิตกทั้งหมดอยู่ในฝ่ายของกุศลอยู่ในฝ่ายของกุศลก็แยกให้เป็นสองส่วนเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเริ่มตั้งความเพียรตลอดหกปีตั้งความเพียรประทานประธานคืออะไรเพียรเพียรก็คือเพียรกาจัดอกุศลแล้วก็เพียรเพื่อที่จะเจริญกุศลท่านเก่งมากนะท่านคิดได้เองอะ่ะ แม้กระทั่งเรื่องของความคิดเนี่ยท่านแยกว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดได้เองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทํากันได้ง่ายๆ น, นะของเราแค่บอกว่าท่านบอกว่าเ อ, อ้ออันนี้เป็นอกุศลอันนี้มีโทษแม้นขนาดนั้นก็ยังก็ตกร่องประจําเลยนะตกร่องไปสู่ไร้ไปสู่ทะลักไปสู่เส้นทางแห่งอกุศลแต่ของท่านท่านแยกแยะได้เองหมดเลยเรียกว่าเก็บความคิดมาแยกทุกๆความคิด เอาวิตกทุกๆวิตกมาคิดคิดอย่างงี้ดียังไงคิดอย่างงี้เสียอย่างไรคิดอย่างนี้ต่อไปมันเป็นอย่างไรเป็นต้นเนี่ยแยกแยะได้หมดเลยพระโพธิสัตว์ในตอนที่ทําความเพียรเนี่ยนะมีเนคขมะวิตกให้เป็นไปแล้วกุศลวิตกของท่านเนคขมะอภยาบาศอวิหิงสาเนี่ยเหมือนแม่น้ําใหญ่ ไหลไปเต็มตลิ่งกานนั้นสังเกตดูน้ําหน้าฝนที่เต็มตลิ่งเนี่ยนะเสมอปริ่มแล้วก็เป็นกระแสน้ําใหญ่ไหลมาตลอดเนี่ยนะกุศลจิตของท่านเกิดอย่างนั้น น, นะนะอากุศลวิตกเนี่ยโอ้ยหากินยากเวราะงั้นแท้ก็วิตกทั้งหลายมีกามวิตกเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นบ้างเช่นมันเกิดได้เร็วนะเพราะความหลงลืมสติเผ ล, ลอไปบ า, บางขณะเนี่ยนะมันก็ตัดรอนวาระแห่งกุศล กลายเป็นวาระแห่งอากุศลตั้งอยู่คือคือพอดีอยโยนิโสมรัสิกามันแว บ, บขึ้นมาปาั๊บอกุศลวิตกก็เกิดขึ้นพระโพธิสัตว์ก็ดําริว่าก็วิตกทั้งหลายมีกามวิตกเป็นต้นของเรานี้ตัดรอนแห่งวาระกุศลตั้งอยู่คือมันมันเข้ามาได้อย่างไงอกุศลวิตกเนี่ยนะถ้าเปรียบเหมือนว่าคนที่อยู่ในเรือบอกเอ๊่น้ํามันซึมมาเข้าเรือได้อย่างไรก็วินิจฉัยและ เอาละเราจับทาวิตกเหล่านั้นให้เป็นสองส่วนอยู่แบ่งเป็นส่วนที่หนึ่งคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่อยู่ในฝ่ายอากุศลวิตกและอีกส่วนหนึ่งก็คือเนฆามวิตกอพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกที่อยู่ในฝ่ายแห่งกุศลวิตกเนี่ยนะลำดับนั้นพระองค์ก็บอกว่าเราจับข่มวิตกที่เป็นฝ่ายอากุศลด้วยยาณะด้วยความรู้ จะต้องมีปัญญานะจึงจะ ก, กำจัดอกุศลวิตกออกไปได้จะต้องมีปัญญาเนี่ยปัญญาเป็นตัวที่บีบคั้นเบียดเบียนกำจัดอกุศลวิตตกเหมือนอะไรเหมือนบีบงูเหา่าแล้วก็จับหรือเหมือนเหยียบคอศัตรูฉะนั้นศัตรูเนี่ยนะถ้าถูกเหยียบคอแล้วมันยั่งนะกระบว่าถูกเหยียบคอกดคอลงไปเพราะว่าถ้ามากดลงไปกันนั้นมันก็หายใจไม่ออกมันก็เอาแรงที่ไหนมาใช่ไหมชั้นใดก็ดีนี้ก็เหมือนกันว่าจะต้องกด กดขมเหงอกุศลวิตกอันนี้ออกไปนนะกําจัดอกุศลวิตกอันนี้ออกไปเราจากยังวิตกที่มาจากฝ่ายแห่งกุศลให้เจริญขึ้นรวดเร็วเหมือนอะไรเหมือนเมฆในเมฆข้าัยหรือว่าเหมือนสมัยหน้าฝนนะเหมือนเมฆหน้าฝนหรือเอาเหมือนเมฆเช้าก็ได้ตกแบบอย่างนั้นแหละกุศลวิตกมันต้องพรั่งพรูออกมาแบบนั้น หรือเหมือนนาดีที่มีพืชงอกงามฉะนั้นเนี่ยนะพื้นนาที่ดีพืชก็ออกงอกงามฉนาันใดเราจะต้องทําให้กุศลวิตกเกิดขึ้นมากๆอย่างนั้นพระโพธิสัตว์นั้นทรงกระทําดังนี้แล้วก็ข่มอกุศลวิตกทั้งหลายแล้วก็ยังกุศลวิตกทั้งหลายให้เจริญขึ้นอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่ยกขึ้นมาว่าพระองค์เนี่ยแยกกุศลวิตกกับอกุศลวิตก คมกุศลวิตกเปิดโอกาสให้กุศลวิตตก น, นะเรียกว่าแยกอะไรนะแยกมิตรกับแยกศัตรูก่อ น, น, นนะในความคิดของตัวเองนะแยกอะไรเป็นมิตรความคิดไหนเนาะเป็นมิตรกับตัวเองความคิดไหนเป็นศัตรูกับตัวเองแยกออกมาเป็นสองส่วนมุ่งกำจัดศัตรูทางความคิดความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นศัตรูของตัวเองนะก็กำจัดความคิดที่เป็นศัตรู เสริมมิตรให้เจริญขึ้นเนี่ยนะก็แยกทำยังไงที่จะ ก, กำจัดอสตรูคือความคิดที่ไม่ดีเนี่ยให้มันหมดไปเลยแล้วให้ความคิดที่ดีๆเนี่ยเกิดขึ้นหลั่งไหลเจริญขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยนะทีนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าในข้อสอง้อห้าสิบสองต่อไปว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสหรือเรียกว่าเจริญสัมมาปทานเนี่ยนะ ส่งตนไปอยู่สมประทานคืออะไรเพียนเพื่อป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียนเพื่อกำจัดอกุศลวิตกที่เกิดขึ้นเป็นต้นเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียนเจริญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดขึ้นยิ่งๆขึ้นไปขณะที่เพียนกำจัดอกุศลเพียนเพื่อเจริญกุศลมีตนส่งไปอยู่คำว่ามีตนส่งไปเนี่ยแปลว่าไม่อะไรในร่างกายและชีวิตมุ่งกำจัดอกุศลมุ่งเจริญ กุศลอย่างเดียวโดยที่ไม่อะไรอะไรสักอย่างถือเอาการเจริญกุศลเป็นภาระหน้าที่เป็นกิจสําคัญถือเอาการกําจัดอกุศลเป็นภาระหน้าที่และกิจที่สําคัญมันจึงกําจัดอกุศลเจริญกุศลใช้ศัพท์เดียวว่ามีตนส่งไปแล้วโดยไม่อะไรในร่างกายและชีวิตขณะที่เจริญอยู่อย่างนี้อกุศลก็เข้ามาจนได้ใช่ไหมกามวิตกกเวฟขึ้นมาจนได้ เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็การมวิตกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแลเพราะมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยแวบขึ้นมาท่านรู้แหละแต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองบ้าง อกุศลวิตกเหล่านี้เนี่ยนะย่อมทําปัญญาให้ดับก่อให้เกิดความคับแข้นอกุศลวิตกเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานเลยเห็นเลยเนี่ยนะคือเนื่องจากว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยคืออะไรคือคนที่หวังประโยชน์ตนคนที่หวังประโยชน์แก่ผู้อื่นคนที่หวังประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคนที่ต้องการให้ปัญญาเนี่ยเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคนที่ไม่ต้องการสร้างความคับแคนให้ใคร ท่านต้องการพระนิพพานคือเมื่อมีความมีเป้าหมายในการปฏิบัติเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วจุดมุ่งหมายของท่านชัดเจนแต่ทีนี้เมื่อเจริญวิธีการออกไปเนี่ยนะเจริญกุศลวิถตกออกไปอาคุณมันแทรกเข้ามาปับท่านรู้เลยว่านี้ไม่ไม่เป็นอุปการะเล ย, เ น, ยนะนี่ไม่ได้เกื้อกูลต่อการเจริญกุศลรธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลเลยมีแต่สร้างความเสียหายให้อย่างเดียวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่า อกุศลวิตกคือกามวิตกพวกนี้มันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนบ้างเห็นโทษหรือว่ามันเบียดเบียนตัวเองแค่ไหนและอย่างไรเนี่ยคิดดูในขณะที่เราอากุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยมีศรัทธาไหมไม่มีมีศีลไหมไม่มีมีฮิริโอตตะไหมไม่มีมีสุตตะไหมไม่มีมีจาระฆะไหมไม่มีมีปัญญาไหมไม่มีเป็นโพธิปัจขยธรรมสักข้อไหม เป็นสติปทานสมมติปทานอิธิบาทอินทรีย์พะละโพชงอง์มรคไหมเจริญขึ้ น, นด้วยโพธิปัจจะธรรมเป็นต้นไหมไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปโดยส่วนเดียวเลยนั้นเบียดเบียนตัวเองแค่ไหนเนี่ยนะเบียดเบียนตัวเองมากทําลายตัวเองประทุสร้ายตัวเองมันยิ่งเห็นโทษเท่าใดเนี่ยนะแปลว่าถ้ารู้ความจริงมันก็ละได้นะก็เหมือนกับว่าถ้าเรารู้ว่าอะไร อย่างอาหารเนี่ยนะอาหารที่มีพิษที่คิดจะบริโภคพอรู้ว่ามันมีพิษเนี่ยเราอยากบริโภคไหมพอรู้เข้าใจเลยว่าพิษที่เกิดขึ้นจากอาหารชนิดนั้นอะ่ะคืออะไรมองเห็นว่าอากุศลวิตกเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่มีโทษมากนะเป็นสิ่งที่มีโทษมากเมื่อเห็นว่ามันสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเองอย่างไรก็มุ่งที่จะละคลายมันถ้าเห็นโทษอกุศลวิตกว่าสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเอง เท่าใดเนี่ยนะก็กับมุ่งที่กําจัดอากุศลวิตตกเหล่านั้นก็ดับไปอากุศลเนี่ยแปลกถ้าเห็นโทษแล้วมันดับเองอขอให้มีปัญญารู้โทษของอกุศลแล้วอากุศลก็ดับปัญญาก็เกิดแทนคือมันความคิดเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือถ้าไม่คิดดีคิดชั่วมีสองอย่าง ถ้าให้ความคิดชั่วมันเกิดขึ้นก็ไม่ได้คิดดีพอคิดดีเห็นโทษของความชั่วความคิดที่ดีๆก็ลังเลเจริญขึ้นมันเห็นว่าอากุศลวิตกเบียดเบียนตนเนี่ยนะทำลายศีลสมถาวิวปัสนาทำลายทุกประการก็ยิ่งเห็นโทษมันเท่าไหร่ก็ดับอกุศลก็ดับไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าอากุศลวิตกคือการมวิตกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง พอพิจารณาอย่างนี้มันก็ดับศูนไปเมื่อพิจารณาว่าเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างทั้งสองฝ่ายพิจารณาเห็นโทษว่าทำลายส่วนเดียวอย่างนี้ก็มันก็ถึงความดับศูนย์ไปเมื่อพิจารณาเห็นโทษต่อไปว่ามันอากุศลวิตกอันนี้มันทาให้ปัญญาดับมันทำให้เกิดความคับแคนไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพาน ยิ่งพิจารณาเห็นโทษของอากุศลวิตกเหล่านั้นไปเท่าใดมันก็ถึงความดับศูนย์อกุศลวิตกเหล่านั้นก็ดับศูนย์ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรานั้นแลละเสียบันเทาเสียซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งกามวิตก ท, ที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไป น, นะก็ยิ่งเห็นพิษภัยทุกโทษของอกุศลวิตกเหล่านั้นถ้ายิ่งเห็นโทษเท่าใดเนี่ยนะ อากุศลวิตตกก็ระ ง, งับดับไปเท่านั้นในอัตถกาฐานาส้า224บทว่าอุปัชติกามวิตตโกคืออากุศลวิตกคือกามวิตกเนี่ยเกิดขึ้นอธิบายว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เริ่มตั้งความเพียรตลอด6ปีเนี่ยนะปีก็คือบำเพ็ญประธานะจริยาเนี่ยนะรวบรวมคุณธรรมเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า